กรัมาพบกันอีกครั้งหนึ่งตางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสอทร้อยเฟมร้อยหกพเจ้าพระมหาไพบุญอภิปุณโนจากวัดป่าดอนไฮโศกตั้งแตวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทั้งบูฟังในช่วงสาวันแรกของสัปดาห์เริ่มต้นสัปดาห์กันมาวันจันทร์วันอังคารมันพุธก็เป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะได้นําเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ทั้งบูฟังฟังส่วนวันพฤหัสศุกนั้นก็จะมาพบกับคุณจันทร์สนี ในช่วงต้นของสัปดาห์นั้นในช่วงนี้ก็ได้ทดลองนําเอานิทานธรรมบทม่ใ้ทัพภูฟังได้ลองฟังกันดูโดยเป็นเรื่องราวที่มาในหลักสูตรของการเรียนภาษาบาลีและซึ่งในเรื่องของการเรียนภาษาบาลีเนี่ยจริงๆแล้วสัพ์แสงต่างๆก็ใช้อยู่ในภาษาไทยอยู่เยอะแยะเพราะฉะนั้นในบางครั้งที่เราฟังศัพท์คําแสงต่างๆได้เนี่ยมันก็จะมีความคุ้นชินอยู่บ้างทางการกบฏเจ้าก็เลยนําเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาให้ทัพภูฟังฟัง วันนี้จะให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของสามเณรที่ชื่อว่าสังกิจจาสามเณรในสมัยพุทธกาลนี่ก็มีเรื่องของสามเณรอยู่หลายๆรูปเช่นบัณฑิตสามเณรสังกิจจาสามเณรหรือแม้แต่ท่านพระราหุลสมัยตอนเป็นสามเณรก็มีแต่ซึ่งเรื่องของท่านสังกิจจาสามเณร น, นี้ที่เขาเล่าให้ฟังในที่นี้ที่จะได้นำมาให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของท่านตั้งแต่ตอนบวชอายุ7จขวบ ออกนผมเสร็จก็บรุเป็นพระอารหันต์เลยเรามาฟังเรื่องราวของสังกิจจาสามเณรน่นนาร์เขาไปช่วยเหลือภิกษุ30รูปกันอย่างไรเรื่องสังกิจจาสามเณรพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงรารอบสังกิจจาสามเณรรัพระธรรมเทศนาน้วาโยจะวัสสะสตังจีเว ทุสีโลอสมาฮิโตเอกหังชีวิตตังสยโยสีละวันตัสสะชานิโยกบูใดทุสีนมีใจไม่ตั้งมั่นพึ่งเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีสีนมีฌานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นตอนกุลบุตร สามสิบคนออกบวชได้ยินว่ากนละบุตรประมาณสามสิบคนในกรุงสาวัตถีฟังธรรมกถาแล้วบวชถวายชีวิตในศาสนาของพระสัสดาภิกษุเหล่านั้นอุปสมบทได้ห้าภาษาเข้าไปเฝ้าพระสัสดาสดับทุระสองประการคือคันทะทุระ และวิปัสสนาทุระไม่ทำอุตสาหะในคติตธธุระเพราะเป็นผู้บวชในเวลาเป็นคนแก่มีความประสงค์จะบำเพ็ญวิปัสสนาทุระทูลให้พระศาสดาตรัส บ, บอกกรรมฐานจนถึงพระราชฎร์แล้วจึงทูล น, นำลาพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์จะไปสู่แดนป่าแห่งหนึ่งพระชจ้า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 ในกรุงสาวิตรีเมื่อสามเณรนั้นยังอยู่ในท้องมานดาได้ทำกาละในขณะนั้นนั่นเองด้วยความเจ็บไข้ยอย่างหนึ่งก็เมื่อมานดานั้นถูกเผาอยู่เนื้อส่วนที่เหลือไหมไปเว้นแต่เนื้อส่วนท้องลำดับนั้นพวกสัปเปอรยกเนื้อท้องของนางลงจากเชิงตะกอ แทงด้วยเหลาเหล็กในที่สองถึงสแห่งปลายเหลาเหล็กกระทบหางตางของทารกพวกสับเบอแทงเนื้อท้องอย่างนั้นแล้วจึงโยนไปบนกองฐานปกปิดด้วยฐานนั่นแหลแล้วหลีกไปเนื้อท้องได้ไม่แล้วส่วนทารกได้เป็นเช่นกับรูปทองคำบนกองฐานเหมือนนอนอยู่ในกลีบ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 ในเวลาที่เขาเติบโตแล้วผู้เราจะให้บวชในสำนักพระสารีบุตรผู้เป็นเจ้าของเราในเวลาที่สังกิจจนั้นอายุได้เจ็ดขวบได้ยินคำพูดของพวกเด็กๆว่าในเวลาที่เจ้าอยู่ในท้องมารดาของเจ้าได้ทากาละแล้วเมื่อสริระมารดาของเจ้านั้นแม้ถูกเผาอยู่เจ้าก็ไม่ไหม้สังกิจจะ จึงบอกพวกญาติว่าท่านทั้งหลายเขาว่าฉันพ้นภัยเห็นปานนั้นประโยชน์อะไรด้วยการครองเรือนของฉันฉันจะบวชดังนี้แล้วญาติเหล่านั้นจึงรับคำดังนั้นแล้วพาไปยังสำนักขอท่านพระสารีบุตรเตระได้ถวายด้วยคำว่าท่านชคฆ่าขอท่านจงให้เด็กคนนี้บวชเติดพระสารีบุตร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 จึงไปยังสำนักของพระเถระเมื่อพระเถระถามว่ามีอะไรหรือท่านผู้มีอายุภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพวกกระผมเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศ า, าสดาแล้วมีประสงค์จะเข้าไปปาจึงชวนอำลาเมื่อเช่นนั้นพระศ า, าสดาจึงตรัสให้พวกกระผมมาอําลาท่านพระสารีบุตรด้วยเหตุนี้ พวกกับผมจึงมาที่นี้พระเตรามีความคิดว่าก็พิสุเหล่านี้จะเป็นผู้ที่พระสัสดาทรงเห็นเหตุอย่างหนึ่งแล้วจึงทรงมาที่นี่นี่เรื่องอะไรกันนาอแลก็เมื่อรู้เรื่องนั้นแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าท่านผู้มีอายุก็สามเณรของพวกท่านมีแล้วหรือพวกพิสุ3าสรูปยังไม่มีเลยท่านผู้มีอายุ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 แต่ว่าเพราะอาศัยพวกท่านความกังวลจะมีแก่สามเณรนีน้ถึงพระศาสดาเมื่อจะทรงส่งพวกท่านมาอย่างสำนักของเราส่งหวังจะส่งสามเณรไปกับพวกท่านจึงส่งมาที่นี้พวกท่านจงพาสามเณรนีน้ไปเสียเถิดตอนภิกษุสาสรูปไปประพฤติสมณธรรมภิกษุสาสิบรูปเหล่านั้น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 ทำอุโบสถกรรมดังนี้แล้วภิกษุทั้ง30รูปนั้นจึงได้อาศัยอยู่ในที่นั้นในครั้งนั้นพวกมนุษย์จัดแจงที่พักในกลางคืนที่พักในกลางวันที่จงกรมและบรรณศาลาถึงความบตสาหาว่าวันนี้พวกเราพรุ่งนี้พวกเราดังนี้แล้วได้ทำการบำรุงภิกษุเหล่านั้น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 หรือกลางวันอื่นนอกจากนี้พวกเราจะไม่ประมาทประกอบกรรมฐ า, านอยู่เนืองๆดังนี้ตอนทุกขตะบุคคลมาอาศัยอยู่กับผู้พิสุกเมื่อพิสุเหล่านั้นทำกติกากันอยู่อย่างนั้นบุคคลเขียนใจคนหนึ่งอาศัยที่ดาเป็นอยู่เมื่อทุพพิภัยเกิดขึ้นในที่นั้น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 ทุกตะบุตรนั้นนี้พวกภิกษุไปเยี่ยมทิดาเวลาไปที่อยู่ของพิกสุเหล่านั้นกับพิกษุทั้งหลายทำวัดป ฏ, ฏิบัติเป็นนันดีทําพวกภิกสุให้รักใคร้อย่างยิ่งโดยการล่วงไปสองเดือนปรารถนาจะไปเยี่ยมทิดามีความคิดว่าถ้าเราจะอําลาพวกพระคุณเจ้าไปพวกพระคุณเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น ไม่ปล่อยเราเราจะไม่อำลาแล้วจะเดินทางไปละดังนี้แล้วก็ไม่บอกแก่ภิกษุนเหล่านั้นเลยได้เดินทางออกไปแล้วทราบว่าข้อที่เขาไม่บอกผู้ภิกษุได้หลีไปนั่นเองได้เป็นความพลั้งพลาดอย่างขนานใหญ่ก็ในคนทางไปของบุรุษนั้นมีดงอยู่แห่งหนึ่งในวันที่7เป็นวันของโจรหน้ร้อย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 หรือเนื้อเป็นต้นเลยเหตุใดพวกท่านจึงทำเหลา่านี้พวกโจรก็พวกเราจะฆ่าเจ้าทำปรีกรรมแก่เทวดาด้วยเนื้อและเลือดของเจ้าบุตรนั้นถูกม ร, รณะภัยคูกามแล้วไม่ได้คิดถึงอุปการะของพวกภิกษุเลยเมื่อจะรักษาชีวิตของตนอย่างเดียวเท่านั้นจึงกล่าวกับพวกโจรอย่างนี้ว่านาย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 อุบาสกใครตีระครังนี้หัวหน้าโจรจึงตอบว่าข้าพเจ้าเองพระสังฆเตระท่านตีเพราะเหตุไรหัวหน้าโจรพวกข้าพเจ้าได้บนญบาลเทพ ย, ยดาประจำดวงออกไปจะจับภิกสุรูปหนึ่งไปเพื่อต้องการทำพรีกรรมแก่เทวดานั้นพระมหาเตระฟังครรมนั้นแล้วจึงกล่าวกับพวกภิษุว่า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 หยุดเถิดท่านกรับกระผมจะสละชีวิตเพื่อพวกท่านไปเองพวกภิกษุสามเณรเราทั้งหมดแม้จะถูกฆ่ารวมกันก็จะไม่ยอมสละเธอผู้เดียวไปสามเณรพระเหตุไรครับพวกภิกษุสามเณรเธอเป็นสามเณรของพระธรรมเสนาบดีสารีบุรเทระถ้าเราจะสละเธอไปพระเทระจะติเตียนเราว่า พวกภิกษุเหล่านั้นพาสามเณรของเราไปมอบให้แก่พวกโจรเราไม่อาจจะสลัดคำติเตียนนั้นได้ด้วยเหตุ น, นั้นเราจึงไม่ยอมให้เธอไปสามเณรท่านกรับพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าทรงส่งพวกท่านไปยังสำนักของพระอุปชายยะของกระถบมก็ดีพระอุปชายยะของกระผมส่งกระผมมากับพวกท่านก็ดี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 แล้วก็ฝันอีกดาบเป็นดังใบตาลที่ม้วนได้ร่นจนถึงโคนของดาบแต่จริงบุคคลแม้จะเอาภูเขาสิเนรุทับสามเณรในเวลานั้นชื่อว่าสามารถจะให้สามเณรตายไม่มีเลยชั่วป่วยกลางปลายัยว่าจะเอาดาบฟันให้ตายหัวหน้าโจรเห็นปาฏิหารนั้นแล้วคิดว่าเมื่อก่อนดาบของเรา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 แทบใกล้เท้าของสามเณรถามว่าท่านผู้เจริญพวกกระผมเข้ามาในดงนี้เพราะเหตุต้องการทรัพย์บุตแม้มีประมาณพันคนเห็นพวกเราแต่ที่ไกลเทียวก็ยังสั่นวันไหวไม่อาจพูดแม้สองถึงสามคำได้ส่วนสำหรับท่านแม้เพียงความหวาดสะดุ้งแห่งจิตก็ไม่ได้มี หน้าของท่านผ่องใสดั่งทองคำในปากเบ้าและดั่งดอกกณิกาที่บานดีด้วยเหตุอะไรกันนอโจนนั้นจึงกล่าวคาถานี้ขึ้นว่าความหวาดเสียวไม่มีแก่ท่านความกลัวก็ไม่มีวันณนะผ่องใสยิ่งนะักเหตุไรท่านจึงไม่เครื่มครวญในเพราะภัยใหญ่หลวงเห็นป่านนี้เล่าสามเณรนั้น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 ขึ้นว่าท่านผู้เป็นนายบ้านทุกทางใจย่อมไม่มีแกท่านผู้ไม่มีความห่วงใ่ท่านผู้สแสวงหาคุณสิ้นสังโยชน์แล้วก้าวล่วงภัยทุกอย่างได้ปัญหาอันนาไปสู่พบของพระกีณาสพนั้นสิ้นแล้วท่านเห็นธรรมแล้วตามเป็นจริงความตายของท่านหมดความน่ากลัว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 ฉันเพราะเห็นปาฏิหาริเห็นปา่านี้ฉันจะบวชในสำนักของพระผู้เป็นเจ้านี้แหละพวกโจรแม้พวกเราก็จะทำอย่างนั้นเหมือนกันหัวหน้าโจรดีละ่ะพ่อทั้งหลายลำดับนั้นโจรทั้งห้าร้อยคนไหวสามนเณรแล้วจึงขอบรระชาสามนเณรนั้นตัดผมและชายผ้าด้วยคมดับของโจรเหล่านั้นนั่นเอง ย้อมด้วยดินสีแดงให้กรองผ้าย้อมน้ําฝาดแล้วให้ตั้งอยู่ในศีลสิบเมื่อพาสามนเณรเหล่านั้นไปมีความคิดว่าถ้าเราจะไม่เยี่ยมพระเทระทั้งหลายไปเสียพระเทระเหล่านั้นจะไม่อาจทําสมณธรรมได้จําเดิมแต่การที่พวกโจรจับเราออกไปบรรดาพระเทระเหล่านั้นแม้รูปหนึ่งก็ไม่อาจ อดกลั้นน้ำตาไม่ได้เมื่อพระเทระเหล่านั้นคิดอยู่ว่าสามเณรถูกโจรฆ่าตายแล้วหรือยังเนากรรมฐานจะไม่มุ่งหน้าได้เพราะฉะนั้นเราไปเยี่ยมท่านทั้งหลายจึงควรตอนสามเณรกลับไปเยี่ยมพวกภิกษุสามเณรนั้นมีสามเณรห้าร้รูปเป็นบริวารไปในที่นั้นเมื่อภิกษุ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 แล้วก็จะหลีกไปขอท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาททำสมณธรรมเถิดกระผมจะไปยังสำนักของพระศาสดาสังกิจสามเณรจึงไหวภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพาสามเณรห้ารรูปไปยังสำนักของพระอุปชาเมื่อท่านพระสารีบุตรถามว่าสังกิจจเธอได้อันเทวาสิกแล้วหรือสามเณรจึงตอบว่า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 และเป็นอยู่แม้วันเดียวในบัดนี้ประเสริฐกว่าการที่ท่านทำโจรกรรมตั้งอยู่ในทุศีลเป็นอยู่ตั้งร้อยปีดังนี้แล้วเมื่อจะส่งสื่อนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาตานิว่าโยจะวสะสัสสสตังชีเวทัสสีโลอสมาหิโตเอกาหังชีวิตังสย สีละวันตัดสะชานิโยก็ผู้ใดทุศีนมีใจไม่ตั้งมั่นพึ่งเป็นอยู่ร้อยปีกว่าความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีศีนมีฌานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นเรื่องสังกิจจสามเณรจบท่านผู้ฟังจำคานี้ไว้ให้ดีในเวลาที่เหตุการณ์มันจะพลิกผันใน สถานการณ์ของนิทานตรรมบทเนี่ยจะมีจำนวนตรงนี้อยู่บ่อยๆที่ว่าแม้แต่มีดหรือแม้แต่ลูกศรที่ไม่มีจิตไม่มีใจก็ยังไม่สามารถทําอันตรายบุคคล น, นั้นได้แต่บุคคลที่ถือมีดถือลูกศร อ, อยู่อย่างนี้ยิงลูกศร อ, ออกไปเนี่ยยังไม่รู้ถึงคุณของคนคนนั้นเลยคือในกรณีที่สามเณรเนี่ยถูกกัวหน้าโจรจะฟันคออยู่แล้ว แต่ดาบที่ฟันลงไปนั้นกับม้วนงอเหมือนอย่างกับใบาตาลเลยทำใไมหัวหน้าโจนี่เกิดคิดขึ้นมาได้ไนี่มันเหตุการณ์อะไรกันขึ้นเนี่ยขนาดมีดไม่มีจิตไม่มีใจยังเห็นคุณยังรู้คุณแต่ตัวเราทำไมถึงจะคิดเองไม่ไดต้ตรงนี้เป็นจุดกลับจุดพลิกผันเหมือนกันที่ทำไม่เกิดการที่หัวหน้าโจนแล้วก็โจนทั้งหลายเนี่มาขอบวชกรสาไม่เล่ในเรื่องเต็มๆก่อนนิทานเรื่องนี้แต่ก็ยังมีเรื่องของลูกศิษย์ ของท่านพระสังกิจจาสามเณรอีกซึ่งพอภายหลังท่านบวชเป็นพระแล้วแล้วก็มีลูกศิษย์เขาเรียกว่าอันเตวาสิกนี่แหละนะมาบวชกับท่านด้วยเป็นสามเณรชื่ออาิมุตตะกาสามเณรอาทิมุตตกาสามเณรก็เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันแต่ไปเจอโจรถูกโจรจับโจรปล่อยตัวได้แต่มีความเลื่อมใสในสามเณรก็เลยมาขอบวชอีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมะที่เป็นคาถาเดียวกันเหมือนกันเลยเรื่องของสังกิจจาสามเณรพอโตแล้ว มีสามนเณรมาบวญ ด, ด้วยเชื่ออธิมุตตกาสามเณรนั้ น, นก็เป็นเรื่องราวที่คล้ายๆกันแตน่เวลาก็หมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมาหาไพบุญนพิปุนโนจากวัดปาดอนไโ้โศกจุลเอร